พออย่นงที่ทำตรงนั้นหลักกันสบายไหมพ <Okay. S 1> อได้นะ ม, มีแอร์สบายสบายหรือเปิดหน้าต่างก็ลมก็สบายแต่ก็ผ่านไปแล้วนะอย่าไปกับวนอะไรมาบางทีพอ ปฏิบัตินวะันนี้นะมันทีอาจจะมีความง่วงบ้างนมีความเบื่อบ้างมีความเหนื่อยบ้างนะมันก็เป็นธรรมดานะอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหามีความปวดเมื่อยบ้างนะเพราะว่าร่างกายเคร่งงานพอสมควรนะในการปฏิบัติธรรมนัม้องมีเป็นธรรมดานะ เว่าองปฏิบัติทำอ่ะมันจริงมันก็มีมีสิ่งพวกนี้แหละนะมันเกิดขึ้นทุกวิธีการในการปฏิบัตินั่นแหละนะไม่มีวิธีไหนที่ทำแล้วมันจะไม่ไม่เกิดความเจ็บปวดเ ม, มื่อยไม่มีหรือไม่มีความง่วงนอนไม่ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความสงสัยไม่มีนี่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นพวกนี้ไม่มีนะเป็น การทุกวิธีวิธีการปฏิบัติเพราะว่าอาการกนณีนะมันเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นป้ายบอกทางว่าเราเดินมาสู่ทาง <S <S 1> <S 1> เข้ามาคล้ายๆเหมือนจะเข้ากรุงเทพนะจะมาจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่มาจากภานไหนกแล้วแต่น ะ, ะถ้ามาถูกทิ่เนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกว่าเออกรุงเทพ ตรงไปครั้งนี้นะี่กิโลเมตรก็แล้วแต่นะเพราะว่าถนนทุกสายในประเทศไทยเนี่ยก็มันก็จะมีทางเชื่อมามากรุงเทพทั้งหมดวิธีการปฏิบัติธรรมนะทุกวิธีการก็ถ้าวิธีที่ถูกก็จะเชื่อมมาสู่นะสูม่มรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่ก่อนจะเข้าสูม่มรรคผลนิพพานนะ่ะมันก็จะเจอ เจอด่านเจอทางแยกเจออุปาสารบ้านนะเป็นธรรมดานะนิวรณธรรมทั้งห้านะความง่วงนะความสงสัยนะความนะเรียกว่าเกิดปฏิฆนะเกิดกา ร, รม่อชันทนะหรือว่าอะไรตัวหนึ่งคือไข่จันได วิธีศึกาาทุกคนสงสัยนะกวมง่วงนอนนะพาไม่เป็นไรไหรืออ่าคิดคุงสร้างแตกคิดครสร้าง น, นะเป็นธรรมชาตินะที่เราต้องเจอแต่คราวนี้มันมีวิธีการที่เมื่อเราเจอแล้ว ทำไงเราถึงจะไม่ให้มันค้อบาำใจอย่างมางทีกวามง่วง น, นะมันก็ค้อบนำร่างกายแต่ทำไงให้มันไม่ค้อบครองนำใจได้นี่ยคือสิ่งที่สำคัญเวลาเราสร้างสตินะ่ะมันเหมือนเป็นการปุกปุกตัวรู้ขึ้นในใจของเราปลุกตัวรู้ขึ้น ความง่วงมาครั้งเกิดขึ้นกับร่างกายแต่เราปลุกตัวรู้ในใจตัวรู้ในใจเนะี่ยมันจะเหมือนคล้ายเหมือนเหมือนเป็นแสงเทียนแสงไฟท่ามการความมืดแม้บางครั้งข้างนอกมันดูจะบง่วงบ้างดูหนักหนักบ้างดูเหนื่อยเหนื่อยบ้างแต่เราจะมีตัวรู้ปลุกขึ้นนะในการที่เราสร้างสติ ท, ทีลักษณะเนี่ย เหมือนมีแสงไฟไปฉายนะเมื่อเราเดินมาจากที่พักมาที่ตรงนี้นะ่ะเรามีไฟฉายเดินมานะ่ะมันก็ทำให้เราเดินมาถึงตรงนี้ได้เพราะแสงไฟนิดน้อยนั่นแหละคนะือไม่ต้องเน้นว่าความม่วงมันจะต้องหายไปเร็วๆหรือว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยนะเราเใช้ว่า วางใจอยู่กับมันไม่ได้มันยังง่วงอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะอยู่กับเขาแล้วนะค่อยๆสร้งสติไปมีสติปุกปุกตัวรู้ขึ้นทีละขณนะมันจะเป็นการเหมือนง่วงก็ชักหัวมันนะแต่เราก็จะรู้สึกตัวของเราอยู่ตัวอื่นก็คล้ายๆกันนะความปุ้งร้างก็เหมือนกันนะ พุ้งซ่างก็ไม่เป็นไรนะแต่พุ้งร้างเราไม่ได้อยู่ในความพุ้งร้างพุ้งร้าอย่างไรเราก็จะสร้างสติเข้ามาแทกนะบางครั้งมันก็จิดก็ฟุ้งร้างบ้างบางครั้งจิดมันก็จะรู้สึกตัวกลับมาบ้านเราไม่ต้องไปไล่นะไปไล่ความพุ้งร้างไม่ต้องไปไล่ความม่วงแต่เราสร้างสติขึ้นมาแทนะก่อ เอาสติเข้ามาแท้พิธีการเนี้ยนนะ่ะเหมือนพระอาจารย์เบสา น, ท, านท่าน เ, เทียวเที่ยบว่าเหมือนกับเราเราจะได้น้ําเสียน้ําที่สกรปรกอะ่ะเราไม่ต้องไปคล้ายๆไม่ต้องไปทําอะไรมากเราก็แค่เติมน้ําดีๆเข้าไปเติมน้ําดีเข้าไปเติมน้ําดีเข้าไปเยอะๆน้ําเสียน้ําสกรปรกมันก็เจือจางเกิดสื่อค่อยๆถูก สู่น้ำดีมันตันเข้ไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับน้บบบนะําสโครกแต่เราแค่เติมเติมน้ําดีเข้าไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาที่บอนเขาเกิดขึ้นไม่เป็นไรเราก็เติมสติเข้าไปเติมสติเข้าไปเรื่อยๆ เ, นะเมื่อสติมันมากควพอสมควรนะเนี่ยวความง่วงมันก็หมดไปนะความกุ้งซ่าน ก็หมดไปนะความยังเลสงสัยก็หมดไปนะความคิดปฏิทะหรือว่าการละชันทะมันก็หมดไปนะนะมันก็หมดไปแต่ไอ้คนนี้มันเป็นสิ่งที่มันก็เกิดดับนะวันนี้มันหมดพรุ่งนี้อาจจะมาอีกก็ได้นะเช้าหมดบ่ายา จ, จะมาอีกก็ได้นะก็ไม่เป็นไรนะบางคนปฏิบัติทำมาหลายปี ก็ย่า ง, ท ำ, ง, องอทำไมยัง่วงอยู่นะทำไมยังฟุ้งร้างอยู่ทำไมยังสงสัยอยู่เพราะอะไรเพราะของคนนี้มันเกิดดับ ม, มันเหมือนง่วงนะตอนเช้าอาจจะง่วงสายๆก็ไม่ง่วงนะตอนข้ามก็ ง, ง่วงอีกอความคิดก็เหมือนกันบางครั้งก็คิดมากบางครั้งก็ไม่คิดมากนะ บางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีเอาแน่นอนไม่ได้แต่สติสําคัญนะเราจะฝึกสติอย่างไรให้เนี่ยให้จิตมันอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นหลักเวลาอารมณ์หรือความคิดมันเกิดขึ้นไม่ให้มันมาครอบมันจิตใจไม่ได้เนี่ยสติมันจะทําให้เราปลุกตรง น, นี้นะปลุกตรง น, นี้ตึ่นเยอะๆน ะ, นะ มันจะเป็นตัวแทะมันจะเป็นตัวทะลุขึ้นนะทะลุกรลมที่มันมันเป็นตัวปรนะสนในการเดินทางของเราซึ่งบางทีมันก็ต้องมีเพราะว่าบางทีอย่างมิธีความง่วงนะกับสมาธิมันใกล้เคียงกันพอเราทาอะไรั้ำๆมันเดิม น, นะคือให้จิตมันอยู่กั บ, ก, บการเคลื่อนไหว ถ้าําซ้ําเดิมๆบ่อยๆจิตมันบางทีมันก็เบื่อคล้ายๆเหมือนเด็กนะให้ทําอะไรซ้ำๆนะนานสักหน่อยก็เบื่อล่ะจิตผู้ใหญ่ก็เหมือนกันน่ะอืให้ทําอะไรซ้ำๆเดิมๆนจิตมันจะเบื่อพอเบื่อมันจะกลายเป็นความง่วงเป็นความซึมแต่ที่จริงถ้าเราทําแล้วมีสติตืต่นตัวขึ้นนะ มันจะกลายเป็นสมาธิเราฝึกสติแบบนี้นะมันมีสมาธิอยู่ในนั้นแหละถ้าเป็นสัมมาสมาธิสมาธิ ม, ามีสองแบบสมาธิแบบหนึ่งเนะี่ยที่เราฝึกเป็นสมาธิที่มีมีสติอยู่ในนันะ้นน่ะมันเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิแบบแค่แบบกมะบกชั่วคราวนะ เป็นสงบแบบเคยกินยาแบบกประสาทป <c oughs> ่ะอ่หรืออาจจะไม่อา จ, จไม่เคยกินยาขนาดกประสาทแต่เหมือนกินยาแก้แพ้น ะ, ะมันก็จะเบลอๆอะ่ะสงบแบบแบบกดๆ อ, อ่ะกดๆประสาทใี่มันซึมๆเบลออะไรนะบางทีสมาธ่แบบนั้นก็มีนะบางทีถ้าเราไปกําหนดไป บังคับมันมากมันก็จะไม่คิดแต่มันก็ไม่ใช่โปร่งโล่งสบายนะบางทีมันก็ไปกำหนดตบบนั้นมากเกินไปหรือบางคนอาจจะทำสมาธิได้ดีกว่ น, นั้นแต่บางทีมันเป็นสมาธิแค่พักผ่อนสมาธิแบบพักผ่อนมันก็คล้ายๆเหมือนเราอาจจะคล้ายๆนะอาจจะไม่เหมือนอถ้าบางคนเคย เสพอะไรบางอย่างแล้วมันมีความสุขมากๆเหมือนบางคนเสพ ย, ยาเสพติดบางชนิดเช่นทันชาเนี่มันจะเบาๆเลยลอยขึ้นหน่อย <c oughs> มีความสุขแบบเลยลอยน ะ, ละคือมันมันก็เป็นความสุขนะแต่เป็นความสุขแบบเรยลอยนะเรยลอยบางทีสมาธิในการพักผ่อนมันก็ทําให้จิตได้พัก หรือสมาธิแบบเป็นกดผมอารมณ์นะมันก็เหมือนอยา ก, กดประสาทไว้นะเหมือนคนเครียดนะก็กดประสาทไม่ให้ตึงสร้างมากแตนะ่น่ะอก็มันก็จะกดกดไว้แต่สมาสมาธินะ่ะมันเป็นสมาธิที่จิตมันมันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคืออะไรคือคล้ายๆเหมือนเรามีเสารหรือต้นไม้ที่มัน มันต้นลำต้นเขาใหญ่อะมันตั้งมั่นคือเมื่อถูกสิ่งกระทบนจากภายนอกมันไม่กระเทือนมันไม่หวั่นไหวหรือไหวก็ไหวแป๊บหนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนต้นไม้พอถูกลมกระทบอ่ะมันอาจจะเอ็นนิดหนึ่งเอ็นแล้วก็กลับมาหรือถ้าเป็นเสาเลยก็มันถูกอะไรกระทบมามันก็มันก็ผ่านไปเลย มันเต่าอันนั้มีลมกระโทบมามันก็ผ่านเลยเต่าก็อยู่นิ่งๆแต่สมาธิที่ตั้งมั่นนี้นะไม่ใช่เราแซงว่ามันให้ให้มันตั้งมั่นนะอืมสมาธิเน่ยมันเป็นผลจากการที่เรามีสติฝึกสติเยอะๆจิตมันจะตั้งมั่นแต่ถ้าเราไปตั้งใจทําให้มันตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่ใช่ ไปตั้งใจว่าเราไม่หวั่นไหวอะไรเลยไปตั้งใจให้มันนิ่งๆอันเนี้ยไม่ใช่มันเป็นมันเป็นการไปทำผลของมันแต่เหตุคือสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวนั่แหละเราต้องมาสร้างเหตุนะสร้างความรู้สึกตัวเช่นมีสิ่งกระทบเกิดขึ้นแล้วใจหวั่นไหวไปคิดหรือไปชอบไปชัน เริดีสติรู้ทันอนะ่ะมันจะกลับมาอ่า ม, มันจะกลับมาอันนี้คือมันเป็นผลจากการที่มีสติพอมีสติปุ๊บจิตมันกลับมาเป็นปกติกลับมาตั้งมั่นมั่นคงนั้นวิธีการปรึกษาคือเรามาสร้างเหตุโดยการเรารู้ทันรู้ทัน ร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายบระทบสัมผัสอะไรเนี่ยเป็นการสร้างสติให้เกิดความรู้รสึกตัวขึ้นหรือจิตใจมันเกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างไรสนุกทุกข์ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอย่างไรเรามีสติรู้ทันปุ๊บความคิดนั้นมันจะไม่ไปไกลมันก็จะกลับมาหรืออารมณ์ชอบไม่ชอบเกิดขึ้น พอเรารู้ทันนะมันก็จะหลุดออกมามั่นคงกลับมาเป็นปกติเรียว่าตั้งมัน่นเนี่ยสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาในใจิตในใจของเราเมื่อมันมีสติมีสมาธิคราวนี้มันตั้งมัน่นอย่างวิสาคราบบางทีเราจะเรียกว่าเราจะมีมีตัวจิตผู้รู้ขึ้น เรือหลวงพ่อเกษมทีด้ียว่ามีสภาว่าเป็นผู้ดนะูเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป่งเนะมื่อจิตมันตั้งมั่นจิตมันมีสมาธิมันจะเห็นเห็นรา้างกายก็เดินเห็นรูปมันเดินดนูดีๆนะเราที่เราตั้งจังหวัดก็ดีเดินจนกลมก็ดีนะนะักรู้สึกป่ารู้สึก มีลูกที่เคลื่อนไหวมีลูกที่กระพบสัมผัสลูกเขาเดินนะมีใจเป็นผู้รู้ลูกเขาแปงฟันนะลูกเแปงฟันเห็นไหมมันเป็นรูปมันไม่ใช่เราลูกเขากินข้าวลูกเขานอนนะมันเป็นรูปที่เขาเคลื่อนไหวลูกที่เขาทํานั่นทำนี่มีใจเป็นผู้รู้ ใจถึงนะใจเหมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะแต่บางทีไอ้ใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนะี่ยบางทีมันก็เป็นใจที่มันเกิดแล้วก็ดับรู้ทีลักษณะเหมือนนะรู้รู้รู้รู้ทีลักษณะเดินก็เหมือนกันรู้ทีลักษณะทีลักษณะ ถ้าสมาธิมากมันอาจจะรู้ได้เยอะได้ตอนือไปเรื่อยแต่บางทีสมาธิไม่มากอาจจะดึงตัวไปบ้าง น, นะแต่ถ้าเรามีสติมันก็จะดึง ม, มันก็จะกลับมาทําให้มันหลงดึงตัวไปไม่นานนะมันก็จะกลับมาได้นะคือแบบเนี้ย น, นะเราไม่ต้องไปไปแข่งกับคนอื่นไม่ต้องไปกงังวลนะแต่สิ่งสาคัญคือเราสร้างสติ นะบ่อยๆสร้างสติ บ, บ่อยๆความหลงมันก็จะน้อยลงของเขาเองนะสร้างสติ บ, บ่อยๆจิตใจก็จะตั้งมั่นมากขึ้นของเขาเองนะนะทําแบบนี้บ่อยๆพอตั้งสติ บ, บ่อยๆสภาวะการเป็นผู้รู้หรือการเห็นอาการของกายของใจนะมันก็จะเห็นได้ได้ง่ายขึ้นนะนะเห็นได้ง่ายขึ้น เมื่อเราเห็นบ่อยๆนะจิตมันจะเข้าใจพ่ออันนี้น้องลูกนะเขายืนเดินนั่งนอนลูกเขาก็เป็นส่วนนันะอาการเจ็บปวดมเมื่อยก็เหมือนกันนะมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับลูกน่ะเกิดขึ้นกับเผ่าบ้างเกิดขึ้นกับท้องบ้างเกิดขึ้นกับร่างกายรวมๆบ้างนะมันเป็นอาการนะความเจ็บปวดเมื่อยก็เป็นอาการ ต่อไปเราจะเห็นวนะ้าที่จริงความง่วงก็เป็นอาการ <c oughs> ความง่วงมันเกิดขึ้นนะที่ลูกนะก็เป็นอาการนะอาการอย่างหนึ่งหรือบางครั้งความซึมความฟุง้งซ่านความสงสัยก็สสยเปลี่ยนเพียงแค่อาการของจิตใจนะอาการของจิตใจมันจะสลับเมันมันซึมหรือมันสงสัยพอรู้สึกตัวปุ๊บมันเหมือนมันก็สว่างขึ้นมา ปกติขึ้นมาพอลืมตัวอาจจะสงสัยใหม่คิดเนะี่ยพอรู้สึกตัวปุว๊บมันก็สว่างมันเหมือนเปลี่ยนแบบเหมือนหน้ามือกำลังมือเปลี่ยนไปไปไปเนะี่ยเหมือนปรุงสร้านหรือสงสัยปุ๊บพอรู้สึกตัวปุว๊บเปลี่ยนมานะเปลี่ยนไปนะเราก็จะเห็นเลย ว, ว่าอ๋ไอไม่สงสัยมันก็เป็นอาการง่วงนอนก็เป็นอาการ คล้งซ่านก็เป็นอาการเรามีสติเป็นผู้ดูนะมันเหมือนดูนดออกมาจิตที่ดูดพ้นแบบเนี้ยสำคัญมากนะเป็นจิตที่จะเดินวิปัสสนาได้ต้องเป็นจิตแบบนี้แต่ถ้าจิตแค่สงบแล้วเราก็าไปอยู่ในความสงบเฉยๆนะหรืออย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนยา ก, กราศาสาทแล้วมันก็เบอร์เบอร์มึ น, มอนๆอยู่แบบนั้นมันไม่ค่อยอยากจะรู้อะไระ เหมือนเรากินยานอนหลับอ่ะนะใช่ไหมทำให้เราไม่คิดอะไรมากก็มึนๆ ห, หลับไปนะสงบไปแต่เนี้ยมันเป็นจิตที่มันรู้ตัวมันจะดูดออกมาจากโลกโลกในที่ไม่ใช่เหมือนคนดูโดโลกแบบภาษาทั่วไปนะดูดออกมาจากโลกคืออะไรโลกคือการที่เราไปจม โรคคือการที่เราตีเซยึดนะในเรื่องของรูปเรื่องของนาม น, นี่แหละนะแม้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่จริงมันก็คือเป็นความคิดที่เราก็้าไปเกี่ยวข้องเช่นเวลาเราโกรธคนอื่นนะเราไปมองไปเกพ่งโทษเขาแต่จริงมันก็คือในในความคิดในอารมณ์ของเราเนี่แหละนะที่ไปอยู่กับเขาการหลุดออกมาจากโรคคือหุดออกมาจากตัวเองนะะัะ หลุดออกมาจากความเป็นตัวเราความสําคัญม่นหมายว่าอยู่ในอารมณ์ของกายอารมณ์ของใจของตัวเองหลุดออกมาหลุดออกมานะหลุดออกจากโลกเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะเขหรือแค่ไม่ต้องขนาดหลุดออกจากพื้นโลกขนาดออกอากาศนะเหมือนเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยแค่ขึ้นเครื่องบินมันก็สูงระดับหลายพันเมตรนนะ่ะ เรามองไปขัานล่างเนระาก็จะเห็นได้ว่าพี่ภูเขาที่มันดูใหญ่ๆนะตอนที่เราเดินเนะี่ยเราหาทางออกไม่เจอวนเย็นในนั้นแหละแต่พอเราขึ้นมาบนเขามันเหนือขึ้นมามันมองไปบนเข า, าก็้ทะลุภูโงงเลยเห็นว่าทิศทาง ม, มันเป็นแบบไหนยอดเขาเป็นแบบไหนการที่เราพ้นออกมาจากจากอารมณ์ของมาจากความคิดก็เหมือนกัน สังเกตไหมเวลาเราฟุ้งเพราะอะไรเราจมอยู่ในความคิดเราฟุ้งเพาอะไรจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยสติทําให้เราพ้นออกมาพ้นออกมาเราก็จะเห็นทิศทางที่เราจะเดินทางนั้นสำคัญมากเลยนะัวสติเนี่ยจะทําให้เราพ้นออกมาเป็นอิสระจากโรคเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากอารมณ์เนี่ยสำคัญมากนะ ต้องทำบ่อยๆเนาะบางทีมันใช้าใหม่ๆมันเหมือนคนจมน้ําโผล่ขึ้นมาบ้านจมก็ไปบ้านโผล่ขึ้นมาจมก็ไปบ้านแต่ความขยันความเพียรเชิงนะี้ขยันในการโผล่ขึ้นมาจากอารมณ์ดูดออกมาจากอารมณ์กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวนะ่ะมันจะดูดออกมาแล้วต่อไปเราจะเห็นเลย โลกนี้มันไม่มีอะไรเย็นหน้าเอาเหรอกนะไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดมั่นไปปากนะไปปากไว้กับมันได้จริงๆนะอย่างร่างกายนะเราจะไปปากนะจิตใจไว้กับร่างกายมันเป็นไปไม่ได้ เ, เพราะร่างกายมีความทุกขนะ์บีบคั้นอยู่เสมอเดี๋ยวก็เจ็บปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หิวนะ เดี๋ยวก็ไม่สบายสุดท้ายเดี๋ยวก็ตายพอเราเห็นความจีิของร่างกายเรื่นี้เหมือนคนอายุเยอะๆก็จะเห็นเนาะ <c oughs> ร่างกายมันมันจะให้มันดีทุกวันก็ไม่ได้นะเนี่ยนั่งสักพักหนึ่งก็เจ็บปวดเมื่อยละเนะี่ยเราจะฝากคี้ของเราไว้กับร่างกายได้หรือไม่ได้นะ แต่เราเอาร่างกายมาสร้างเครื่องมือในการอในการให้จิตมันเป็นอิสระนะเราทาแบบนี้อย่างตอนนี้นเราเอาร่างกายมันเป็นเครื่องมือในการสร้างสติเอาร่างกายมาทําความเพียร น, นะร่างกายไม่ปกติก็ทําความเพียรยาก อ, อย่างเราไม่สบายมากมากมันก็ ไม่มีแรงเนาะมเมื่อยล้าก็ทําคนเห็นยากเหมือนคนพิการไหลาคนเนี่ยถ้าใจไม่มั่นคงในจิตนั้นทำยากอย่างอาจารย์คนที่ปุณณวานะถ้าเป็นตัวอย่างคนพิการที่ที่ตั้งใจทําจริงจรแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็เคยไปนแนะนําคนที่การหลายที่เหมือนกันแต่คนจะเข้าจริงจริงก็มีน้อยมากขนาดเห็นแล้วตั้งการันเป็นทุกขขนาดนั้นนะแต่แบบ แต่จะให้ทำํำจนกระทั่งออจิตใจไพ้นออกจากความทุกข์จริงก็ยังไม่ค่อยทําบางทียิ่งร่างกายางทียิ่งร่างกายแข็งแรงนะบางทียิ่งนีทางเลี่ยง <c oughs> ทางเลี่ยงการออกจากทุกข์เยอะเราไปหาอะไรกินเราไปหาอะไรเล่นเราไปหาอะไรดูเนะี่ยเพื่อหนีจากความทุกข์กับมันง่าย แต่อาจารย์บางคนท่านบอกว่าคื อ, อผมที่การก็ดีเหมือนกันนอนอยู่บนเตียงก็ดีเหมือนกันไม่มีทางออกไม่มีทางออกอาจารย์บอกเลยมันเหมือนเป็นเดิมพันเดินพันมันมีสองหน้าจะทุกข์ตลอดชีวิตหรือจะทําตัวนี้เพื่อมัอนออกจากความทุกข์มันไม่มีทางเลือกคือนอนอยู่มันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเรี่ยกออกไปเตร็จ หรือว่ามนีความทุกข์ด้วยวิธีอื่นนะก็อยู่กับความทุกข์หรือเราจะทำปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันออกจากทุกข์จริงๆอนะอันนี้เหมือนมันจดตอบนะจนกรอกก็ต้องหาทางออกแต่คนธรรมดาบางทีไม่ค่อยรู้สึกเองจนกรอกก็อะไรยังมีทางที่ยังมีทางรอดมีทางเน่ยหน บ, บ ไปกับเหตุผลบ้างไปกับสถานการณ์ต่างๆบ้างลองไม่ต้องหนีมันนะลองดูอย่าไปหนีมันแต่เราสึกว่าจะอยู่กับมันแต่แบบอยู่แบบพ้นมันอยู่ด้วยกันนะไม่ได้ไม่ได้หนีเขาความม่วงเกิดขึ้นก็ไม่ได้หนีเขาแต่ทำไงให้เราปุกจิตให้มันตื่น เห็นร่างกายก็ง่วงความฟุ้งเกิดขึ้นมาก็ไม่มีความฟุ้งนะแต่จะทำยัไงไงให้เราปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นเห็นว่าเมื่อกี้มันฟุ้งซ่านความสงสัยก็เหมือนกันนะมีคำถามมีความสงสัยก็เป็นธรรมดานะของการปฏิบัติแต่คราวนี้เราจะมีวิธีไหนให้เห็นว่าจิตมันสงสัยไม่ต้องไปคิดหาคําตอบ อาจารย์บอกว่าที่จริงพอเราเห็นว่าจิตมันสงสัยนะ่ะคําถามน่ะมันจบไปอคําถามมันจบไปมันก็เลยไม่ต้องมีคําตอบเลยอืแต่ถ้าเรามีคําถามอยูนะ่มันเหมือ น, นต้องต้องหาคําตอบด้วยเพราะเราไม่จบที่ความสงสัยเราต้องเอาคําตอบ ม, มาแก้คําถามแต่สติเนะ่ะมันคล้ายๆเป็ตัดตัวความสงสัยเป็น เป็นตัดที่ตัวคำถามพกคาถามมันจบนะไม่ต้องมีคำตอบก็ได้ <c oughs> อันเนี้ยเวลาปฏิบรรัติทำบางทีมันจะมีความสงสัยหลายอย่างมากหรือในชีวิตเราอะบางทีก็สงสัยนั่นสงสัยนี่ไปเรื่อยแต่ีจริงมันมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งที่ชวนให้เราไปคุ้นคิดให้เราดืงตัวเท่านั้นแหละนะไม่ได้อะไรมากนะ นอกเส้นจากว่ามันเวลาเราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเออมันรู้สึกจิตมันหนักหนักจิตมันแน่นแน่หรือบางทีมันก็เบาก็ลอยเกินไปอะไรเนะถ้าจิตมันผิดธรรมชาติมากๆานกะอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าสงสัยนะแต่ให้เราเอกใจว่าอาจจะปฏิบัติผิดอ่ะอืมเอกใจว่าทําไมมันจิตมันแน่นผิดปกติอะไรนะ หรืบางทีจิตมันเบาผิดปกติให้เอกใจว่าเราเข้าไปทำเข้าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าบางดีพอตั้งใจมากมันจะเหมือนมันจะเป็นคนกดนนะคกดอารมณ์บ้างตื่นไปตั้งใจมากเหมือนเป็นเอ้งมันเราดูอะไรที่มันแบบมันจ้องมันนะจ้องดูมันก็จะเพ่งอันเนี้ย ให้เราดูทันตัวเองแล้วก็นนก็ผ่อนออกมาหรือบางทีมันเบาเกินไปนะบางทียงเบาสบายนะบางทีเราก็ลืมตัวอย่างยกมือนนะหลายคนพอยกทำนานนะจะชอบยกเรื่อยๆมันจะมันรู้สึกเพลินมันเพลินแต่แต่ตัวรู้มันจะไม่ไม่ค่อยชัดเพราะมันจะตัวเพลินมันจะมา มันเด็มนั้นบางคนที่ฝึกนานๆต้องระวังไอ้ตัวเพลินพอทานไปเรื่อยมันจะเพลินนะแต่เพลินนะเราจะไม่ให้มันติดความเพลินแบบไหนมาว่าอุบายที่หลวงพ่อเทียนท่านสร้างไว้ให้ตัวหยุดน่ะจะช่วยได้บาทีมันเพลินนะหยุดมันบ้างนิดนึงมันทําให้เราเออมันก็ตื่นขึ้นมามันมีความเบาอยู่แต่มันไม่เพลินเหมือนเดิม ตัวหยุดนะั้นก็สำคัญบางทียกเร็วๆต่อเนื่องมันเตินมันสบายนะแต่มันสบายแบบปิดติดติดความสบายนิดหน่อยนะเราต้องรู้ทันตัวนี้เนาะแต่จริงพวกเนี้ยนะมันก็มันเหมือนเป็นอะไรเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมอารมณ์คือ คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะต่างๆหลายๆอย่างมันมาให้เราได้เรียนรู้มาให้เราได้ศึกษานะไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันเหมือนอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนป้ายบอกทางว่าเรากำลังเดินมนถูกทางตรง น, นี้ละวนะแต่ทําอย่างไรเราถึงจะเดินทางต่อนะคือการที่ไม่หลงไปติดเขา ลงไปติดเขาคืออเหมือนเราไปหยุดพักหรือบางทีมัมนไม่ใช่แค่หยุดพักนะหยุดตรงนี้เขาก็ชวนเราทะเลทลไยออกไปนอกทางเหมือนบางคนทำแล้วเกิดนิมิตนะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นอะไรเป็นภาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปหลงใ น, ในอาการของนิมิตนั้นะนะก็เลยเดินไปก็มี เรือบางทีนะอย่างที่บอกความง่วงมันก็เป็นอาการมันเหมือนชวนให้เราหยุดแต่จริงถ้าเรามีสติมันก็เหมือนเราได้เดินทางต่อความสุขนมะื่อทีเราปฏิบัติมันจะมีปิติทำท้สองสามวันนะถ้าทาจริงๆมีปิติเกิดขึ้นนะปิติเกิดขึ้นสบายนะไปเรือนนะ่อยๆมันต้องเป็นอารมณ์หนึ่งที่ทําให้ นักปฏิบัติใหม่ๆรู้สึกคือเราเริ่มมาถูกทานละนะก็ถูกก็ใช่นะแต่ต้องข้ามปิติให้ได้ในะการนั้นนะอยัางว่าหยุดบ้างให้มันเนะมีหยุดชัดเจนบ้างปิติมันจะได้อ่อนลงไปปิติอ่อนลงไปมันจะกลายเป็นความสุขเป็นความสงบแต่สงบแบบรู้ตัว เป็นความสงบแบบรู้ตัวไม่ใช่สงบแบบที่บอกว่ามันเป็นการข่มอารมณ์หรือข่มความคิดนะั่นเหมือนเบอรเบอร์นะมันเป็นการกระบกจากกิเลสไม่ใช่สพพอองบเพราะข่มกิเลสอันนี้คือคือเวลาเราปฏิบัติธรรมมันก็จะมีอารมณ์พว้นี้นะักก็อยากให้พวกเราทุกคนนะักกนะ็ได้ตั้งใจลองปฏิบัติ ด, ดูนะวันนี้ ทั้งวันจะ <c oughs> เจออารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะทําไงเราถึงจะมีสติปลุกจิตให้มันโดดออกมาเป็นผู้ดูแต่และอารมณ์ให้มันผ่านทีละขั้นทีละขั้นนะไม่ต้องไปคิดถึงอันดีไม่ต้องไปคิดถึงอ น, นาคตแค่ทําแค่ปัจจุบันทีละขณะทีละขณะแค่นี้พอเลยอืมไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้อะไรจะเป็นอะไรนะอ่า หรือไปคาดหวังว่าจะต้องไม่มีสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามานะอย่าไปคาดหวังทั้งสองด้านนะไม่ต้องไปคาดหวังทั้งฝ่ายบวกฝ่ายที่เราชอบอยากจะได้แล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่อยากได้เพราะที่จริงนะไม่ว่าส่วนฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบฝ่ายชอบหรือไม่ชอบทาไงเราถึงจะ ฝุดออกมาก้าวไปเรื่อยๆเห็นมันไม่ติดกับมันนั่นแหละสําคัญที่สุดนะอันเนี้พยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะ mm hmm. สุดท้ายก็บอกทําทั้งรายทั้งปวงนะ mm hmm. ก็มีควรยิดมันถือมัน mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่สําคัญขึ้นที่จริงมันก็ไม่ใช่เอาไปใช้ตอนตอนถึงที่เกิดแห่งตุ้นะมันใช้ตั้งแต่ตอนนี้แหละ มันลรามีสติปุ๊บนะก็มีครั้งเดียวแล้วก็จบมีแล้วก็จบทีละครั้งแม้แต่ตัวสติเราก็ไม่มยึดนะแต่เราสร้างทีละครั้งจบจบจบอย่างที่มาตอนนักปฏใหม่ๆเมื่อวานที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบตัวรู้ตัวเดียวนะไปรู้แบบนานๆเนะี่ยไม่ใช่แบบมู้ คือไปรู้นนันานมันจะเป็นเหมือนเป็นประคองแต่รู้ที่จริงรู้จบรู้จบรู้จบนะจิตมันจะเป็นสภาวะตื่นขึ้นมานะตื่นตัวนะตื่นใจนะตื่นออกมาจากความคิดตื่นออกมาจากกิเลสตา่างๆเราปลุกให้มันตื่นตัวพุทธคือตัวผู้รู้ผู้ตื่น ผูเบิกบานนี่แหละนะที่เราฝึกกันนะก็ฝากไว้